พฤติกรรมอย่างหนึ่งนะซึ่งมันเป็นอุปสรรคขัดขวางความเจรงอกงามรวมทั้งความสุขนะของผู้คนเนี่ยจำนวนมากเนี่ยสิ่งนั้นก็คืออาการชอบผลัดวันประกันพุ่งล้าคนก็รู้นะว่ามันมีสิ่งสำคัญที่มีประโยชน์ที่ควรจะทำ แล้วก็ควรจะรีบทำด้วยแต่ก็มักจะผัดผ่อนงานการบางอย่างนี่มันต้องทำสม่ำเสมอหรือว่าต้องเริ่มทำเลยเพราะว่ามันต้องใช้เวลานา น, านกว่าจะเสร็จอย่างเช่นบางคนเนี่ยทำพิธีนิพนธ์ มันต้องเขียนกันเป็นเดือนเดือนเลยนะบางทีก็หลายเดือนถ้าเกิดว่าทำแค่แต่วันนี้เนี่ยนะมันก็จะเอาเสร็จตามเป้าที่วางเอาไว้แต่หลายก็ผัดผ่อนไปมันไม่ใช่แค่งานอย่างวิทยานิพนธะ์งานที่เป็น อาชีพซึ่งควรจะทำสม่ำเสมอก็ผัดไปก่อนไม่มันไม่ใช่แค่ ง, งานการอย่างเดียวน ะ, ะกิจกรรมหรือกิจการที่มันมีประโยชน์ต่อชีวิตนะเช่นการออกกำลังกายการฝึกจิตทำสมาธิ หลายคนก็ตั้งปณิธานนะว่าพอขึ้นปีใหม่เนี่ยฉันจะออกกำลังกายเป็นประจำเช้าบ้างทุกเย็นบ้างแต่พอขึ้นปีใหม่ก็ผัดไปมีข้ออ้างต่างๆสมาธิคือเหมือนกันนะออมีประโยชน์นะังใจจะทำตื่นนอนขึ้นมาเจริญสติทำสมาธิห้านาทีสิบนาทีตั้ง ปฏิฐานเอาไว้แต่สุดท้ายก็ผัดผ่อนไปเรื่อยไม่ต้องพูดถึงเรื่องการฝึกจิตหรือเตรียมตัวเพื่อรับมื อ, อ, อกับความเจ็บความป่วยความพัดผ้าสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้มันยิ่งใกลตัวในความรู้สึกของหลายคนก็ยิ่งผัดผ่อนก็ไปใหญ่เพราะว่าในเรื่องสิ่งใกล้ตัวเนี่ยเช่นเก็บที่นอนอล้างจาน น, นี่ก็ผัดนะ ผัดเอาไว้ทําวันรุ่งขึ้นพอถึงวันรุ่งขึ้นก็ผัดอีกก็กลายเป็นว่าบ้านนี้รกห้องนี่ส ก, กปรกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจํานวนมากทำามถึงเป็นเช่นนั้นนะส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะใจไปจดจ่อยอยู่กับสิ่งอื่นอย่างนี้มันมี สิ่งที่ดึงดูดความสนใจและแย่งชิงเวลาของเรามากขึ้นเรื่อยๆโดยเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโทรศัพท์มือถือเนี่ยโซเชียลมีเดียหนังเพลงเกมสารพัดมันทำให้คนเพลินติดอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็เลยไม่สนใจสิ่งอื่นพอถึงเวลา ที่ควรทำก็ผัดไปอีกส่วนนึงก็เป็นเพราะความเกลียดคร้านความขี้เกียจหลายสิ่งหลายอย่างนี่ก็พอผัดไปเรื่อยๆนีมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่จริงการผัดเนี่ยผัดผ่อนนี่มันก็ไม่เป็นสิ่งที่แย่ไปเสียทั้งหมดนะบางครั้งเนี่ย เราก็ควรจะรู้จักผัดด้วยโดยเพราะเรื่องที่เก็บเอามาคิดเกี่ยวกับอนาคตเนี่ยงานการนะบางอย่างที่เราจะต้องทําเดือนหน้าหรือว่าพรุ่งนี้นะหลายคนก็เก็บเอามาคิดแม้กระทั่งเวลาจะนอนก็เลยเกิดความกังวลจนนอนไม่หลับ ที่จริงเนี่ยถ้ากังวลแล้วเนี่ยลุกมาหรือกระตือรือร้นในการตะเตรียมมันก็ดีนะความกังวลก็มีประโยชน์มันทําให้คนเนี่ยไม่อยู่นิ่งเฉยแต่หลายคนเนี่ยทั้งที่เตรียมเอาไว้ดีแล้วเนี่ยแต่ว่าก็ยังเก็บเอามาคิดไม่ได้เอามาคิดจนเกิดความกังวลจนเกิดความเครียดทั้งทั้งที่กังวลไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้น นแบบนี้ต่างหากนี่คือที่ควรผัดนะผัดออกไปจากใจนะปล่อยให้เป็นเรื่องของวันพรุ่งนีนะ้วันนี้ฉันจะนอนละหรือว่าวันนี้ได้เวลาพักละคนจำนวนมากเนี่ยโดยเฉพาะพวกที่ชอบผัดแบบประการพุ่งเนี่ยแต่กับไม่รู้จักผัดนะความคิดเกี่ยวกับอนาคตงานการ ที่จะต้องทำในเมื่อยังไม่มันไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาที่จะคิดก็กลับเอามาคิดแล้วก็เครียดแล้วกังวลอย่างนี้ต้องหากที่ควรจะผัดไปก่อนว่าถึงพรุ่งนี้หรือถึงเวลานั้นก็ค่อยมาว่า ก, กันดเดยวพอเมื่อได้ตาเตรียยไม่ดีแล้วบางคนเนี่ยจะต้องไปสอบสัมภาษณ์นะสมัครงานอาทิตย์หน้าเนี่ย ก็ยังอดไม่ได้นะที่จะเอาเรื่องนี้มาคิดด้วยความวิตกกังวลฉันจะสอบผ่านไหมเนี่ยทั้งที่มันเป็นเรื่องของอาทิตย์หน้าแล้วก็คิดไปก็ไม่ได้ช่วยให้อะไรมันดีขึ้นบางคนจะต้องไปพูดต่อหน้าผู้คนเสนองานไม่เคยพูดต่อหน้าคนมากๆอาทิตย์หน้า ก็วิตกกังวลนะวันแล้ววันเล่าเก็บเอามาคิดด้วยความกังวลให้แบบที่ต่างหากในที่ควรจะผัดไปถึงตอนนั้นค่อยว่ากันและบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราทําอะไรไม่ได้มากด้วยเช่นไปพอมัเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่เกี่ยวกับการกําหนดของเรา เช่นไปรับฟังผลตรวจสุขภาพผลตรวจชิ้นเนื้อผลตรวจเอ็กซเรย์พ่งนี้หรืออีกสามวันข้างหน้าเนี่ยก็กรุงแต่งใหญ่เลยนะว่าถ้าเกิดว่ามันมีเนื้อร้ายทำยังไงเก็บเอามาคิดจนนอนไม่หลับจนหงุดหงิดกับคนรอบข้างไม่ว่าคนรักพ่อแม่หรือว่าลูกนีหรือว่า ลูกเนี่ยจะเดินทางเนี่ยจะไปเรียนต่อที่กรุงเทพอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเนี่ยก็คิดแล้วเขาจะเรียนไหวไหมเขาจะอยู่ยังไงบางทีคิดไปในทางลบทางร้ายทั้งที่หนึ่งยังไม่ถึงเวลาเลยนะแล้วสองเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เรานึก ปรงแต่งไปในทางลบทางร้ายก็ได้หรือว่าอาทิตย์หน้านจะประกาศผลสอบนะว่าลูกเนี่ยจะสอบเข้าโรงเรียนมีชื่อได้หรือเปล่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็เอามาคิดเนี่ยจนนอนไม่หลับคืนแล้วคืนเล่าทั้งที่มันอีกต้องหลายวัน อันนี้เราว่าสร้างทุกข์ให้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นอย่างที่ตังหานีที่ควรจะผัดไปถึงตอนนั้นค่อยว่ากันนะถึงวันที่ประกาศผลสอบแล้วค่อยว่ากันว่าถ้าเกิดลูกสอบไม่ได้จะทำยังไงต่อไปหรือถ้าเกิดผลออกมาไม่ดีนี่จะทำยังไงต่อไปังค่อยไปว่ากันตอนนั้นและบางครั้งเนี่ยมันก็ ไม่ได้เร็วลายไปอ ย, อย่างที่เรานึกก็กลายเป็นว่าทุกหรือวตกนรกนี้หลายวันทีเดียวอ น, นี้ต่งางหากที่ควรจะผัดไปเะนั้นคนเนี่ยจํานวนมากเลยนะสิ่งที่ควรจะผัดก็ไม่ผัดสิ่งที่ควรจะทํานันทีก็กลับผัดผ่อนอันนี้เลย ว, ว่าเป็นเพราะว่าตกอยู่ภายใต้อํานาจของ ของอารมณ์นานาชนิดเลยเช่นเพลินกับความสุขเพลินกับโทรศัพท์มือถือก็เลยไม่อยากทำอะไรเพลินกับซีรีส์นะก็เลยถัดผ่อนสิ่งที่ควรทำหรือไม่เช่นนั้นก็ไม่รู้ทันไอความวิตกกังวลปล่อยให้มันครอบงำใจ ถามว่าจะทำเป็นไงนะมันถึงจะไม่เป็นอย่างนี้อสิ่งที่ช่วยได้มากคือสตินะโดยเพราะการารู้จักเท่าทันความวิตกกังวลหรือการที่หมกมุ่นคุ้นคิดกับเรื่องอนาคตถ้ามีสติเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ เห็นความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอรู้ว่ากำลังคิดไปในเรื่องที่มันไม่สมควรคิดมันยัง ไ, ไม่ถึงเวลามันก็วางความคิดนั้นลงหรือว่าดึงจิตออกมาจากความคิดนั้นไม่หลาตามความคิดนั้นแต่ว่าสาหรับคนทั่วไปมันก็ยากนะที่จะรู้ทันความคิดเพราะว่ามันเป็นนิสัยของเขาไปแล้วการที่ให้รู้ทันความรู้ทันอารมณ์นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ว่าสามารถจะฝึกได้นะฝึกให้มีสติที่รวดเร็วฉับไวเริ่มต้นจากการที่มารู้กายให้มีสติรู้กายนั่นคือว่าเวลาทำอะไรเนี่ยทำอะไรด้วยกายเนี่ยก็ให้ใจเนี่ย อยู that that ่กับสิ่งนั้นเวลาเวลามีเวลามีการฝึกสติเนี่ยก็เริ่มต้นในการให้มารู้กายเวลาเคลื่อนไหวเดินจงกรมก็ไม่ใช่ตัวเดินอย่างเดียวใจก็รู้สึกด้วยว่ากำลังเดิน เรียกว่าเดินยางมีสติมีสติรู้กายยามเคลื่อนไหวมันก็มีรูปแบบนีะ่ที่สำเร็จรูปพอสมควรแต่ว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็อาจจะไม่มีเวลานะบอกว่าไม่มีเวลาที่จะมามาฝึกสติในรูปแบบนะในวัดหรือในคอร์สได้ แต่ก็ยังสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็ให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นมีสติอยู่กับทุกสิ่งที่ทำเดือยเพราะเวลาทำด้วยกายเช่นตื่นขึ้นมาเก็บที่นอนอ่าก็ให้มีสติให้รู้ตัว เวลาลุกไปอาบน้ำหรือว่าแปลงฟันล้างหน้าก็ให้มีสติเวลาล้างจานอ่ะก็มีสติอการล้างจานหมายความว่าใจเนี่ยก็อยู่กับสิ่งที่ทำนั้นจะว่าทำด้วยใจเต็มร้อยก็ได้ออหลายคนบอกไม่มีเวลามาเดินจงกรมอ่ะแต่มีเวลา เก็บที่นอนไหมมีเวลาอาบน้ำไหมมีเวลาล้างหน้ามีเวลาถูฟันไหมทั้งหมดนี่นะมันสามารถจะเป็นโอกาสสำรการฝึกสติได้ก็คือว่าใจอยู่กับสิ่งนั้นไม่ปล่อยใจให้ลอยไปคิดเรื่องนะั้นเรื่องโน้นแต่ธรรมดาก็คิดนะไม่เป็นไรนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ว่าใจลอย ก็กับมาอยู่กับการทำสิ่งที่กำลังทำอยู่เมื่อมันมีอะไรที่เราทำมากมายในชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันงั้นถ้าเรามีสติอยู่กับกายรู้ว่ากายทำอะไรเนี่ย ต่อไปเวลาใจมีคิดนึกอะไรมันก็รู้มันก็รู้ได้ไวขึ้นแต่ไม่หมายมก็ต้องฝึกนะกับการมารู้กายแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าจะต้องมารู้รู้ตัวตลอดทั้งวันแค่รู้วันนิดวันหน่อยมันก็ช่วยได้เยอะนะถ้าทำทุกวันทุกวันทุกวัน คนเราเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะนึกถึงการเจริญสติให้มีสติอยู่การเก็บที่นอนมีสติอยู่การล้างหน้าถูฟันเนี่ยน้อยนะเพราะวันที่สายก็จะคิดนึกไปเรื่องอื่นวันทีก็ช่วยโทรศัพท์เปิดดูข้อความซะจะเตือนใจว่าให้มีสตินะเวลา เก็บที่นอนเวลาอาบน้ําเวลาล้างหน้าเวลาล้างจานเวลากินข้าวเนี่ยบางทีมันลืมนะแต่มันจะมีบางช่วงที่นึกขึ้นมาได้ไอตอนที่นึกขึ้นมาได้นั่นแหละอา้าวทำเลยนะก็คือให้มีสติอยู่กับสิ่งนั้นแล้วก็รู้จักเก็บและผสมน้อยหรือที่หลวงพ่อคาเขียนนั่นใช้ว่ารู้จักเชลิมการบางทีเราเดิน ลุกจากเก้าอี้นะไปไปกินน้ำไปรินน้ำไปเติมน้ำก็ให้มีสติขณะที่เดินไปรินน้ำหรือขณะที่เดินเข้าห้องน้ำก็ให้มีสตินะขณะที่เดินไปที่ห้องน้ำมันจะมีบางช่วงที่นึกขึ้นมาได้เออเราต้องมีสตินะแต่มันก็จะนึกขึ้นมาได้เนี่ยวันนึ่งก็ไม่กี่ครั้งหรอกใหม่ เพราะว่าใช้ชีวิต อ, อยู่ความหลงซะเยอะมันจะนึกได้มีกี่ครั้งแต่ว่าทุกครั้งที่นึกขึ้นมาได้ก็ทำเลยนิดๆหน่อยๆก็ยังดีนี่ก็เป็นการฝึกสตินะที่มันจะช่วยทำให้สติเราแข็งแรงปราดเปรียวว่องไวมากขึ้นจนกระทั่งรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ปกติเราจะมีเราจะมีสตินะ เวลาที่ร่างกายมันเคลื่อนไหวหรือว่าการฝึกสติมันจะทำได้ง่ายเวลาร่างกายมันเคลื่อนไหวแต่พอ ร, ร่างกายนี่อยู่นิ่งๆเช่นนั่งเนี่ยใจอาจจะลอยได้แต่ว่าถ้านึกขึ้นมาได้ก็ฝึกสติด้วยการมาสแกนหรือว่าสำรวจร่างกายของเราว่าตอนนี้ก้นเราอยู่ที่ไหนหลังเราอยู่ที่ไหน มันสัมผัสกับอะไรนะกับเบาะหรือว่ากับไม้มันรู้สึกอย่างไรนะใช้ใจเนี่ยไปรับรู้ความรู้สึกหรือว่าการสัมผัสนะของก้นของหลังนะหรือเวลายืนเนี่ยก็รู้สึกถึงเท้าที่มันสัมผัสกับพื้นอันนี้ก็เป็นการเจริญสตินะสร้างความรู้สึกตัว ซึ่งอาจซึ่งมันก็ทำได้ไม่ยากแล้วก็อาจจะทำได้ไม่นานแต่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้สติเราดีขึ้นหรือว่าเราจะรู้จักกลับมาอยู่กับเนื้กับตัวมากขึ้นมันไม่ได้รู้สึกตัวตลอดทั้งวันแต่ว่ามันก็จะมีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีวิศวกรคนนึ่งนะแกทำงานที่ Google แล้วสนใจเรื่องการเจริญสติมากต่หลังก็ เป็นวิยากรชวนเพื่อนๆนะในบริษัทเนี่ยมาเจริญสติแลวิธีแกก็ง่ายๆนะให้นั่งนิ่งๆอย่างมีสติสัก2นาทีวันหนึ่งอาทแค่นี้พอ2นาทีถ้าทาได้มากกว่านั้นก็ก็ทํา3นาทีสีนาทีหรือว่าทาบ่อยๆง่ายกว่านั้นะอีกนะ้าคือว่าให้มีสติให้หายใจอย่างมีสติวันละครั้ง แนะนำนะแนะนำเพื่อนนะหายใจอย่างมีสติวันละครั้งะง่ายไหใแขกก็ทำได้นะหายใจอย่างมีสติวันละครั้งคือหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่ทำแค่ครั้งเดียวนะก็จะทำสองครั้ง3มครั้งหรือว่าแม้จะทำแค่ครั้งเดียวแต่ว่านึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ก็หายใจอย่างมีสติ1ครั้งนะ ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งนึกขึ้นมาได้ก็หายใจมีสติหนึ่งครั้งนะต่อไปเนี่ยมันจะนึกขึ้นมาได้บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นแล้วก็จะหายใจมีสติไม่ใช่แค่หนึ่งครั้ง น, น, นีก็สองครั้งสามครั้ ง, ส, งสี่ครั้งมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่เป็นอุบายที่ใครๆก็ทำได้นะหายใจมีสติวันละครั้งแต่ว่าท่านนึกได้เมื่อไหร่ก็หายใจจะมีสติ อันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันแม้ว่าเราจะไม่ได้เข้าคอร์สหรือไม่ได้มาปีกตัวมาปีกวิเวกปฏิบัติในวัด่างๆก็สแกนร่างกายเราดูหรืเฉพาะเวลาเรานั่งสแกนร่างกายคือสังเกตที่ศรีรษะเราเป็นยังไงเอาใจไปอยู่ที่ศรีรษะรับรู้ว่ามันเกรง็งมันเครียด มันผ่อนคลายไหมเอาใจมากาหนดนะที่คอที่หัวไหล่มันเตะมันตึงมั้ยมันเครียดไหมรับรู้ไล่ลงมาที่หน้าอกที่ช่องท้องต้นขาหน้าแข้งหรือถ้าเกิดว่าเรานั่งอยู่ก็เออรับรู้ถึงก้นว่ามันสัมผัสกับอะไรมันรู้สึกอย่างไรต้องทำเล่นๆไปนะเวลาเรานั่งรถ กลับบ้านหรือไปทำงานหรือว่านั่งอยู่ในที่ทำงานว่างๆก็สแกนอารมณ์ของตัวเองไปด้วยนะตอนนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไรสบายกังวลง่วงเบือ่อยอมรับรับรู้นะทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ผักใสมันยินะ่งยิ่งถ้าหากบอกได้ว่าอารมณ์นั้นมันคืออะไร มันคือความเบือ่อมันคือความสดชื่นมันคือความเบิกบานมันคือความเครียดโอรามันยิ่งช่วยเข้าไปใหญ่เลยพวกนี้นี่มันก็ทำได้นะทุกวันนะวันละครั้งสองครั้งทำเล่นๆไปนอกนือจากการมีสติอยู่กับสิ่งที่ทำเวลากายเคลื่อนไหวนะใจก็รับรู้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ทั้งวันอยู่แล้ว ต่อไปเวลาใจมันคิดนึกเนี่ยมันก็รับรู้รู้ทันไปด้วยแล้วต่อไปนันก็ทำให้เราสามารถที่จะฝึกสติกับทุกสิ่งที่ทำนะหรืออาจจะไม่ทุกสิ่งแต่ก็หลายสิ่งที่ทำเพราะบางอย่างก็ลืมนะเดี๋ยเพราะเวลาที่มันต้องใช้ความคิดแต่มันก็มีการกระทำหลายอย่างที่เราไม่ต้องใช้ความคิดหรือว่ามันใช้แต่กายนะเช็ดล้างจานกวาดบ้านเก็บที่นอนพวกนี้มัน เป็นกิจวัตรอยู่แล้วมีสติกับทุกสิ่งที่ทำแลวให้ดีก็คือมีสติกับทุกครั้งที่เจอไม่ว่าหรือทุกสิ่งที่เจอเจออะไรมากระทบเนี่ยก็ให้มีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นเสียงนกรอก้องกระทบหูใจเป็นยังไงใจมันยินดีเบิกบานเสียงมอเตอร์ไซค์กระทบหูใจมันเกิดความหมางุดหงิดขุ่นโมก็รู้ นี่เรื่องมีสติอยู่กับทุกสิ่งที่เจอหรือว่ามีสติอยู่กับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะคนเราเนี่ยมันก็ทั้งวนันก็มีแค่2 อ, อย่างนะไม่ทำก็เจอนะไม่ทำนั่นทำนี่ก็เจอนั่นเจอนี่ขณะที่เราทำโดยเพราะใช้กายทำเราก็รู้สึกมีสติกับสิ่งที่ทำ เวลาเจอนั่นเจอนี่มีอะไรเกิดขึ้นที่ที่ใจความรู้สึกนึกคิดที่ปรากฏเราก็ก็รู้ทันหรือรับรู้แล้วต่อไปเนี่ยเราจะสามารถใช้สตินะเวลาเจออะไรมากระทบแรงๆการกระทำหรือคำพูดของใครบางคนทาให้โกรธอ่ะเราก็รู้วิธีที่จะรับมือกับมันรับมือด้วยสตินะ เริ่มต้นโดยการรู้จักหยุดรู้จักนิ่งนิ่งนี่ดีที่สุดเลยนะเวลาโกรธเนี่ยเวลาโกรธนิ่งเนี่ดีที่สุดเพราะถ้าพูดอะไรไปเนี่ยมันก็อาจะมีแต่ความเสียหายหรือว่าเกิดปัญหาตามมายิ่งไม่ได้พูดอย่างเดียวทำด้วยนะยิ่งเกิดเรื่องเกิดราวใหญ่เลยนิ่งไว้ก่อน แล้วต่อไปก็มาอยู่ที่ลมหายใจนะกลับมาที่หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆโดยเพราะถ้าเกิดว่าเราฝึกมีสติหายใจวันละครั้งทํำบ่อยๆจากวันละครั้งเป็นสองครั้ง3ามครั้งเนี่ยถึงเวลาโกรธเนี่ยมันจะกลับมาที่ลมหายใจในช่วงนั้นแหละที่มันทําให้จิตนี่มันวางอารมณ์วางความโกรธลงได้เพราะจิตมันมาอยู่ที่ใจมันมาจิตมันมาอยู่ที่ลมหายใจแทน พอติดมาจดจ่อที่เราไม่ใจก็ต้องวางความโกรธหรือเรื่องราวที่ทําให้โกรธมันก็เป็นการปล่อยวางอย่างสั้นๆนะที่มันช่วยทําให้ความโกรธทุเลาจากนั้นก็มาสัแกนที่ร่างกายนะมาสแกนร่างกายเราตอนนั้นตอนนี้เป็นยังไงหน้าบึง้งหน้าหนีขี้ขมวดปากเ ม, ม้มมือกําแน่นหายใจทีหรือเปล่าสังเกต ด, ดูแค่รับรู้ กายว่ามันเป็นอย่างไรขณะที่โกรธไอการที่เอาใจมีอที่กายเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ความโกรธทุเราเบาบางได้เพราะตอนนั้นมันไม่ได้คิดถึงเหตุ ก, การณ์ที่ทําให้โกรธ ถ, ถึงตอนนั้นเนใจก็จะเริ่มเย็นขึ้นแล้วก็ร้อนน้อยลงแล้วก็ค่อยไตร่ตรองว่าจะใช้จะทําอะไรต่อไปอันนี้คือการใช้สติรับมือนะ กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาเจอการกระทบกระแทกแรงๆมันเป็นการฝึกสติไปด้วยแล้วก็เป็นการใช้สติเพื่อรักษาใจแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนั้นจริงๆแล้วการฝึกสติเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากนะถ้าเรารู้จักประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเก็บเล็กผสมน้อยหรือว่าช่วยโอกาส ถ้าทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมอีอนุภาพมากนะเกิดสิ่งที่เราพลังอย่างสติที่จะช่วยทำให้อที่เราเคยเอาแต่หมกมุ่นคุ้นคิดจนวิตกกังวลและเครียดต่อไปเราก็จะรู้จักผลัดมันได้ผลัดมันออกไปจากใจเพราะมันยัเป็นเรื่องอนาคตการด้วยการสิ่งที่ควรทำในปัจจุบันนะเราก็จะรีบทำทันทีนะไม่ผัดผ่อน สิ่งที่ควรทำในปัจจุบันก็รีบทำแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกลาเป็นเดี๋ยวนี้ในสิ่งที่มันเป็นอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เอามาเป็นเครื่องวิตกกังวลนะรู้จักผัดมันออกไปรู้จักวางมันบ้างเอาอย่างนี้พูทโธนินนะเอากลับครบ